เรื่องอยู่ครองเรือนหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพวกญาติบอกภิกษุรูปหนึ่งว่านิมนต์ท่านมาอยู่ครองเรือนเถิดขอรับภิกษุรูปนั้นตอบว่าท่านตั้งหลายคนอย่างอัตมาไม่ควรจะอยู่ครองเรือนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตรปาราชิกหรือหนอจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่า